กับโลกอยู่ด้วยกันก็ไม่เหมือนกันทางโลกอมีจิตใจส่งออกภายแง่ไม่มีวันย้อนกลับมีแต่คิดเรื่องนอกเรื่องโลกเรื่องสงสารเรื่องบ้านเรื่องเมืองเรื่องได้เรื่องเสียเปรียบเสียเปรียบเอารับเอาเปรียบ คิดไปนนในแง่ใดก็เป็นเรื่องโลกไปหมดท่านกินเรียก ว, ว่าโลกยิริยาความเคลื่อนไหนทางกายทางวยจาเป็นโลกไปทั้งนั้นนั่นอันเดีย ว, ว่ะโลกไม่เหมือนทรกลิ่นเรียกคนละอย่างทำนั้นย้อนกลับทั้งคิดทั้งหน้าทั้งย้อนถอยกลับคิดเรื่องโลก เรื่องเราเรื่องถูกเรื่องผิดเรื่องดีเรื่องชั่วเล้วย้อนเข้ามาสู่ตัวเสมอเพื่อหาเหตุผลเป็นที่ยุติในทางที่ถูกต้องดีงามสิ่งที่ควรละเว้นก็ต้องละเว้นตามหลักเหตุผลนั้นสิ่งที่ควรทำก็ต้องทําตามหลักเหตุผลเนี้ยทำด้วยความเต็งใจทั้งสองอย่าง ทางเราเว้นในสิ่งไม่ดีก็ต้องเล่เว้นจริงๆร <c oughs> านประกอบในสิ่งที่ดีก็เป็นประเด็ความสนใจตจดต่อจริๆๆงๆริงเนเรียกว่าธรรมรวมแล้วก็การเรียนธรรมก็คือการเรื่งการเรียนเรื่องของตัวเทียบกับโลกสงสารซึ่งเป็นลักษณะอย่างเดียวกัน โลกจะกว้างแสงกว้างคนจะมีจำนวนมากสัตว์มีจำนวนมากทั้งสัตว์น้ำสัตวแบบ์บกคนธาชั้นวัน น, ะนั้นนี้ตามสมมติมิยมเนี่เทียบในความเป็นไปความเป็นหรือความเคลื่อนไหวในแง่ต่างๆย่อมเป็นเหมือนเหมือนกันนี่จึงเรียกว่ากลุมออกไปภายนอก ย้อนจิตกลับเข้ามาภายในเพื่อทวทวนเหตุผลเหตุผลต้นปลายหาทางยุติว่าจะเอาอย่างไรดีถ้าพูดตามหลักความจริงแล้วเรื่องโลกก็คือเรื่องความผูกพันเรื่องธรรมก็คือ เรื่องต่อยวังคือความปล่อยวงังเรื่องของโลกย่อมมีแต่ความผูกพันเรื่องของธรรมมีแต่เรื่องแป่เรื่องถอดเรื่องถอนผูกพันคำว่าผูกพันก็ผิดผูกพันอันเป็นแถวทางที่จะให้เกิดความทุกข์ไม่มีที่สิ่งสุดจุดหมายปลายทาง เป็นโลกไปลนล้วนก็เป็นวัฏฏะวนไปล่นล้วนทุกข์สุขเกื่อปนกันไปส่วนมากมีแต่ทุกข์สุขเป็นเครื่องร่อเล็กน้อย <c oughs> ความทุกข์นั้นมีจำนวนมม่แต่ปิดไงไว้ไม่ให้เห็นไม่ให้รู้ผู้ที่เป็นผู้ที่รับความทุกข์ความสุขร้่งเล็กน้อยนั้นก็ไม่ทราบเรื่องของตัวเองที่กำลังเป็นอยู่ ทั้งที่ผ่านมาแล้วปัจจุบันและอนาคตซึ่งจะได้รับในการต่อไปเรื่องของโลกเป็นเรื่องหมุนอยางนั้นคือหมุนไปข้างหน้าแล้ววบเยียนกลับย้อนมาโดยเจ้าตัวก็มาดูท่านเรียกว่าวัดตวนก็คือเรื่องของโลกที่ในเรื่องของธรรมเป็นเรื่องวิวัตต์ ค, คลายในสิ่ง ที่เคยผูกพันเกี่ยวก้องกันมาซึ่งล้วนแล้วจะเป็นเชี่ยนเป็นหนาต่อตนเองแก้ไขที่คลายสิ่งที่ผัวพันกับตนออกไปโดยลงดับอันจึงเรียกว่าเรียนธรรมะก็ดีการปฏิบัติธรรมะก็ดีคือการเรียนเรื่องของตัว ะปฏิบัติต่อตัวเองนั่นแหละมีโลกกับทมผิดกันอย่างนี้คือสวนทางกันไปโลกเป็นฝ่ายผูกมัดธรรมเป็นฝ่ายถอ ด, ถ อ, ดถอน <c oughs> ทีนี้เรามาบวชในประพุทธศาสนาเรียบร้อยแล้วตั้งหน้าตั้งตาจะมาแก้ไขถอดถอนสิ่งที่เคยผัวพันกับจิดใจตนมาเป็นอย่าไร การปฏิบัติของตนจึงจําต้องทวนกระแสของโลกได้แก่กระแสของใจที่เคยเป็นมานั่นแหละเรียกว่ากระแสของโลกเพราะกระแสของใจนั้นมันเป็นไปด้วยอำนาจแห่งเครื่องดึงดูดภายในที่เป็นตัวโลกยน่นล้วนถุดลากออกไปจึงต้องทวนกระแสกลับเข้ามา <c oughs> ท่านเรียกว่าทวนกระแสโลกคือ ท, ทวนกระแสของของจิตตัวเองนั่นแหละที่มันเคย เป็นมาโดยลําลดับสําดาและเป็นไปอย่างนั้นดูแต่จาขนาดจิตไม่มีลางอุดเว้นหากเราไม่มีสติพิพจารณาด้วยสติจริงๆด้วยความกรจ่างสิ่งสิ่งด้วยปัญญาพิจารณาจริงๆ จ, จะไม่เห็นความแตกต่างระหว่างทํากับโลกในจิตดวงเดียวกันนั้นใดเลยคำว่าโลกผู้ปฏิบัติย่าหมายถึงผู้หนึ่งผู้ใด อันจะเป็นการดูถูกเหยียดหยามยกนั้นย อ, อนี้ทุ่มลงอย่างนั้นอย่างนี้เป็นการเหยียบ ก, การยกการยออันเป็นเรื่องของโลกไปเสียให้ย้อนเข้ามาเรื่องภายในของตัวเองเหยียบ ก, ก็เหยียบจิเละภายในใจของตัวยกก็ยกทําขึ้นเพื่อต่อสู้กับจิเละนี่เรียกว่าเรียนทำทวนกระแส จ, จิตเข้ามาสู่ทางธรรมเข้ามาอย่างนี้แต่แสจิต ล้วนๆ น, นั้นดัชธรรมชาติของมันเป็นกระแสของกิเลสโดยตรงที่แสดงออกมาใช้จิตเป็นเครื่องมืออาการของจิตแต่ละอาการที่คิดที่ปรุงออกมากิดสัมผัสสัมพันธ์ในสิ่งต่างๆเริ่มแตั้งแต่เป็นเครื่องมือของกิเลสที่จะได้ทางานในดาราิิสัมผัสนั้นต่อไปโดยลำดับทั้งนั้น การทวนกระแสของความเป็นมาจงนลาพื้นแล้วจึงเป็นการยากตามลำบากอยู่เป็นธรรมดาแต่ผู้ปฏิบัติธรรมจะไม่ถือความยากความลำากเหล่านี้ซึ่งจะให้เกิดความทอถอยอ่อนแออันเป็นเรื่องของี่เหลือนนั่นเข้ามายุ่งขวนจิตใจจะมุ่งแต่ผลอันดีที่จะยกยอตนขึ้นด้วยอดด้วยธรรมเพื่อป ร, ป ร, ป ร, ราบคามขืน ที่กดถ่วงทั้งหลายให้หมดให้สึ้นหรือเบาบางลงไปโดยลํำดับเท่านั้นนี่เป็นหลักของผู้ปฏิบัติธรรมเรียนก็เรียนเพื่อรู้เหตุรู้ผลรู้ดีรู้ชั่วรู้วิธีละวิธีบังเพงการปฏิบัติก็ปฏิบัติตามแผนแนวที่เราได้เรียนมามากน้อยในแง่ใดก็ตามก็ปฏิบัติไปตามแง่นั้นแง่ที่เรียนนั้นไม่ใช่การปฏิบัติจะเดินสวนทางกันกับการเรียนมานั่นไม่ถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้า ซึงท่านให้นามว่าปริยัติคือการศึกษาเรียนเรียนวิธีการทุกสิ่งทุกอย่างมีการที่จะแก้จะถอดถอนด้วยบำเพ็ญตนเองโดยอาการต่างๆหรือวิธีการต่างๆปฏิบัติก็คือปฏิบัติตามที่ศึกษาเรียนมานั้นอันเป็นเหตุทิศที่ถูกต้องดีงามมาแล้วจากตัวคาถาธรรมของพระพุทธเจ้ามีผลจึงเป็นผลจึงเป็นสิ่งที่พึนหวังไปโดยลำดับที่เรียกว่าปฏิเวทะ ได้จากความรู้แจ้งไปเป็นลําดับลาดาบตา ม, าตามกําลังของความภาคเปลี่ยนและสติปัญญาของผู้ปฏิบัตินั้นๆเนี้ยไม่ใช่คําว่าปฏิเวทะนี่รู้แจ้งแทงตลอดไปในขณะเดียวหากเป็นไปตามการปฏิบัติของเราเพราะเป็นผลการปฏิบัตินั้นเป็นมากนักมีกําลังมากน้อยเยียงไรเป็นเครื่องสนับสนุนให้เกิดผลขึ้นมาก็มากน้อย ตามกำลังของมรคคือการปฏิบัติของผนนั่นแหละมือการเรียนทำการปฏิบัติทำในครั้งพุทธการท่านเรียนดังนั้นท่านปฏิบัติอย่างนั้นโดยลําดับลําดังไม่ใช่การเรียนกับการปฏิบัติเดินสวนทางกันดังที่เป็นอยู่ในสมัยปัจจุบันนี้นี่เป็นสิ่งที่ เดินสวนทางกันระหว่างประหยัดกับปฏิบัติของผู้ทรงจํามาทั้งหลังโดยถือเอาความทรงจํานั้นมาเป็นตัวของตัวไปเสียทั้งๆ ท, ที่ไม่ได้ดําเนินเหตุแต่ประการใดคือการปฏิบัติยังไม่ปรากฏแต่กเอาผลจากการเรียนนั้นมาเป็นตัวของตัวเป็นความรู้ของตัวเป็นเนื้อเป็นหลังของตัวไปเสียโดยที่หาความจริงไม่ได้เพราะนั่นไม่ใช่ความจริงนั้นไม่ใช่ความถูกต้อง ตามหลักของการเรียนการเรียนก็คือเรียนเพื่อรู้เพื่อเข้าใจในวิธีการปฏิบัติเพราะในขณะที่เรียนนั้นกิเลสตัวใดยังไม่ได้หลุดลอยไปเลยเป็นแต่เพียงจําวิธีการที่จะแก้ไขถอดถอนกิเลสแต่และประเภทประเภทดยอุบายวิธีการของความเพียรมีสติปัญญาเป็นสําคัญเท่านั้นยังไม่เป็นผลอันใดแต่ที่ว่าเดินสวนทางก็คือว่าเราเอาความจดควนจํา ที่เรียนมามากน้อยนั้นมาเป็นตัวผลคือว่าเรารู้เราฉลาดไปเสียทั้งๆที่ละกิเลสไม่ได้แม้ตัวเดียวจะจัดว่าเป็นความรู้ที่ชอบทําได้อย่างไงมันก็เป็นเพียงความจํนานอกจากนั้นก็สวมเข้าไปอีกว่าเป็นความหลงของผู้เรียนมาเท่านั้นไม่ใช่เป็นความจริงตามหลักธรรมถ้าตามความจริงแล้วเรียนก็ทราบว่าเรียนจําบทจำบาทจำคาถาบาำำลีจํากําหนดตําล า, ลาวิธีการต่างๆของท่าน ในการละการบันเพ่งมาก็ให้ทราบว่าตนได้เรียนมาดัางนั้นยังไม่ใช่เป็นตัวมรรคตัวผลที่จะยังที่กิเลสหึุดรอไปแต่ประการใดเลยจึงต้องก้าวเข้าสู่การปฏิบัตินั่นแหละทีริงเป็นเพื่อนศึกต่อกันเรียกว่าเรียนถูกต้องคือเรียนเพื่อปฏิบัติไม่เรียนแบบสวนทางกันคือการปฏิบัติไม่มี แต่เอาการศึกษาเรียนนั้นมาเป็นตัวมรรคผลกะเองทั้งๆที่มรรคอ็ไม่มีผลก็ไม่มีที่เลือไม่หยุดรอออกไปเลยจากหัวใจแม้ผลก็ไม่ปราปกฏขึ้นภายในใจแม้ขณะที่เรียนนั่นเลยนี่เยอะอ่ะยังไม่มีผลอันใดแต่ถือว่าการเรียนนี้เป็นผลแล้วนี่คือการเดินสวนทางไม่ถูกต้องตามหลักธรรมคือเดินสวนทางของธรรม เพงตั้งอาศัยการปฏิบัติในภาพต่อจากปริยัติไปแล้วดังพระสาวกทั้งหลายสนับทำจากพระพุทธเจา้าที่พระองค์ทรงทำสอนวิธีการต่างๆแล้วนำธรรมนั้นไปประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในสถานที่ที่เห็นว่าเหมาะสมเช่นต้นไม้ชายร่มไม้ชายเขาในป่าในความธรรมเหนือผา อันเป็นที่สะดวกสาบายในการประกอบความภาคเพียนเพื่องานนั้นๆ น, นจะได้สำเร็จไปด้วยความรากรื่นดีงามไม่มีอุปสรรคหรือสิ่งจิตค้ามใดๆเข้ามาวุ่นวายนั่ น, นละาเป็นภาคปฏิบัติภาคปฏิบัตินั้นแล้วจะเป็นภาคที่ยังผลขึ้นมาตามลำดับกำดาหนับแต่ท่านสมาธิคือความสงบเงยอกเย็นภายใน จ, จิตใจที่เราจาได้แล้วในทางประยัว่าสมาธิสมาธิ แปลว่าความสงบล่มเย็นนึกแปลว่าความตั้งมั่นนั่นเป็นชื่อของสมาธิยังไม่เป็นสมาธิขึ้นภาย ใ, ในใจของเราจริงไม่เรียกว่าเราได้ผลแล้วในขณะที่เรียนได้แต่ชื่อยังไม่ได้ตัวตัว่าจริงคือความสงบอันแท้จริงซึ่งจะเกิดขึ้นภาย ใ, ในใจนั้นยังไม่มีมีแต่ชื่อจึงตั้งอาศัยการปฏิบัติเมื่อปฏิบัติตามแนวทางที่ได้เรียนมาแล้วหรือได้ดศึกษามาแล้วจากครูจากอาจารย์ดังภาษาพวกทั้งหลาได้ ขนัดมาแล้วจากข้าศัร์กระาดาษก็เวาพุทปฏิบัติเป็นปรากฏเป็นสมาธิคือความเยือกเย็นขึ้นเป็นขั้นเป็นตอนนอนเริ่มเป็นผลขึ้นมาแล้วพูดถึงด้านปัญญาก็เช่นเดียวกันปัญญาเราก็จําได้ในปริยัตยิจนกทั่งมหาสติมหาปัญญาถึงมัดผลนิพพานความหลุดพ้นทะลุอุปร่งไปหมดในการศึกษาละเรียนการจําได้มานั้นแต่จิตมันไม่ทะลุจิตมันไม่เป็นสมาธิ จิตไม่เป็นปัญญาขั้นต่างๆจิตไม่เป็นริมุดหยุดพ้นมันก็มีแต่ชื่อของนัรผลนิพานหน่องจิงไม่จัดหน้านั้นเป็นสมบัติของตนแล้วเป็นแต่เพียงความจำเท่านั้นด้วยเหตุนี้การปฏิบัติจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ต้องการความหยุดพ้นหรือต้องการผลอันเป็นที่ถึงใจโดยลำดับขึ้นไปจนกระทั่งถึงความหยุดพ้นโดยชิ้นเชิงตั้งอาศาัยการปฏิบัติเป็นทัาพื้นเป็นําขัด ในการปฏิบัติหม่ผลก็จะต้องเป็นไปตามการปฏิบัตินั้นได้มากได้น้อยผลจะปรากฏขึ้นมาตามสิ่งสมาธิมีเป็นผลเบื้องต้นแล้วปรากฏขึ้นที่ใจนั่นแหละที่มีเรียกว่าเป็นผลเรื่อเป็นปฏิเวทะขึ้นมาแต่ก่อนได้ยินแต่ชื่อของสมาธิตรวจําได้จากคำพูด์บาลาณ จ, จ, จากคู่จากประจาน แต่กองของสมาธิแท้ยังไม่ปรากฏบัดนี้ได้ปรากฏขึ้นแล้วด้วยการสมาธิภาวนาของเราเป็นความสงบเย็นใจขึ้นที่ใจนะการพิดนาทางด้านปัญญาเราก็ได้แต่ชื่อของปัญญาขั้นต่างๆซึ่งเป็ณักวิปัสสนาแล้วก็ไปถึงมหาสติมหาปัญญาที่มีแต่ชื่อทั้งนั้นแต่พอเราได้ปฏิบัติทางภาคปัญญาปัญญาขั้นต่างๆที่ เราย็นมานั้นก็จะเริ่มปรากฏขึ้นมาภายในจิตใจจนปรากฏได้อย่างชัดเห็นได้อย่างชัดเจนเนื้อสามารถวาดสันกิเลสประเภทต่างๆให้ขาดสะบั้นได้จัดใจเป็นลําดับลําัาจนถึงขั้นยิมุติุดพ้นหลุดที่ใจพระปัญญาอยู่ที่ใจกิเลสอยู่ที่ใจวาดสันกันลงที่ใจเมื่อสติปัญญาเหมาะสมกับกิเลสประเภทใด ย่อมจะทำลายกิเลสประเภทนั้นให้หมดสิ้ไ น, น, นไปจากไปเดิมหมดจนกระทั่งถึงปัญญาขั้นสุดยอดไร้แ่มหาสติมหาปัญญาแทงทะลุอุปสงค์ไปหมดกิเลสประเภทใดจะไม่นอกขืนเอาปัญญานีไปได้เลยจนกระทั่งจิตมุขจิตหรูปพ้นเพราะปัญญาเป็นผู้ปลดเรื่องฟาดกันสิ่งที่กดท่วงหรือผูกพันจิจการจำหนายออกได้โดยสิ้นเชิงนั่นนหะที่นึ่ปัญญาก็เห็นที่ใจรู้ที่ใจเป็นสมบัติของใจแท้ ไม่ว่าปัญญาขั้นหยาบขั้นขั้นพืนพ้นพื้นขั้นกลางขั้นละเอียดและละเอียดสุดได้แก่มหาวิสิณะทุได้มญญีเป็นสมบัติของตนทั้งสายมาดคือปัญญาก็ปรากฏทั้งสายผลคือความดลุดท้นแต่โดยลำดนับหำดับจนกระทั่งหลุดท้นโดยสิ้นเชิงก็ปรากฏขึ้นปรจักใจนี่คือผลได้รับแน้วผู้นั้นหน่เมื่อเดินตามแนวทางแห่งปริยัติปฏิบัติแล้วจะต้องปรากฏปฏิเวทธรรมโดยดลําดับจนกระทั่งถึงปฏิเวทหรือปฏิเวทธรรม รู้แจ้งแทงตลอดร้อยปอเซ็นไม่มีดีเรื่องทำกับโลกต่างกันดังที่กล่าวมานี้คือทวนกระแสเข้ามาดูข้างนอกทดสอบเข้ามาข้างในเทียบเคียงกันให้ได้ทุกสัตว์ทุกส่วนเพื่อเปเรืองตนเองซึ่งติดอยู่ในทั้งสิ่งภายนอกทั้งสิ่งภายในทั้งภายนอกและภายใน การที่จะนาทบทวนด้านหน้าด้านหลังทั้งออกข้างนอกทั้งเข่าข้างในที่จะนาเพื่อจะหาทางหลบหลีกตีตัวเพื่อทางถอดถอนตัวเองที่เกี่ยวกับความผูกพันนั้นๆด้วยอุบายสติปัญญาของตนเองการเรียนทำก็ดีการปฏิบัติทำก็ดีจึงเป็นการเรียนเรื่องของตัวปฏิบัติต่อตัวเองโดยเฉพาะโดยเฉพาะแล้วก็สามารที่จะรู้ ถึงภายนอกได้โดยตลอดทั่วถึงว่ามีลักษณะเช่นเดียวกันนี้ไม่สงสัยเช่นเดียวกันเนี่ยที่ท่านให้นา ม, มาโลกกับวิถูรู้แจ้งโลกเป็นคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าไม่เพียงแต่รู้แจง้งแทงทะลุในเรื่องอนิจจงทุกขังขอัตตาแล้วปล่อยวางเฉยๆเพียงเท่านั้นยังทรงรู้แจง้งแทงทะลุไปจนกระทั่งอุปนิสัยยะของสัตว์โลกความเกิดแก่เจ็บตายว่าใครได้เกิดเคยเกิ ด, ก ด, ก ด, ก ด, กดมาเป็นอะไรต่ออะไรมาโดยลําดับกําหนา แทงทะลุไปหมดนี่เป็นคุณสมบัติของพัฏฐะจักคุณสมบัติของสาวกไ ด, ด้แจกรู้แจ้งแทงทะลุเรื่องภาพเรื่องฐางเรื่องอ น, นิจังทุกของอังนัตตาว่าของเขาก็ของเราทั่วแดนโลกาธาตุนี้มีสภาพเหมือนกันหมดเป็นอันไม่สงสัยหายสงสัยแล้วโดย ก, การทั้งเสียงนี่เรียกว่าโลกวิถูของเป็นคุณสมบัติของสาวกเชื่งได้โดยกาทุกองอันนี้เพราะเป็นเรื่องปัญญาแทงทะลุไป เทียบเรียมกันได้ทุกข์ับทุกส่วนทั้งภายนอกภายใน์เป็นในลักษณะนี้ทั้งนั้นเพราะขึ้นชื่อว่า <c oughs> สมมุติแล้วจะแม่นอกเนี้ <c oughs> อันนี้จังทุกข์ ข, ขาาับท่ามิเตลได้เลยถือมีปัญญาพิจารณาหเห็นแจ้งชัดเจนทั้งภายนอกภายในาแล้วย่อมปล่อยวางได้โดยสิ้นเชิงการเรียนทำเรียนหนี้การปฏิบัติธรรมก็ให้ถึงสังเกตดองจิตใจของตัว อย่าไปสังเกตที่อื่นที่ใดมากยิ่งกว่าใจซึ่งเป็นตัวกระเพื่อมหรือตัวเคลื่อนไหวชูอารมณ์ต่างๆที่จะนำท่าจิตเข้ามาจุดตนี้เป็นลําดับลำดับให้มองจุดนี้เป็นสัมผัสผู้ปฏิบัติและอย่านําเรื่องว่าความลำบากลําบนปีนั้นปีนี้จะได้รู้ได้เห็นงานเข้ามาเกี่ยวข้องล้วนแล้วตั้งแต่เป็นอุปสรรคทั้งนั้นสิ่งเหจะมาจีบขวางจิตใจของเราให้เกิดท้อถอยในเกิดความท้อถอยอ่อนแอท้อแท้เล็วไหลไปได้ เพราะเหล่านี้เป็นอุบายของกิเลสไม่ใช่อุบายของธรรมกิเลสย่อมเป็นค่าศึกต่อธรรมอยู่เสมอดังและจล่าวมาแล้วนี่ถึงใจพวกท่านทั้งหลายแล้วอย่างกิเลสเคยเป็นข่าศึดต่อธรรมมาตั้งแต่การในไหนเมื่อเป็นข้าศิกต่อธรรมแล้วกิเลสอยู่ภายในใจธรรมที่จะเกิดขึ้นภายในใจนี้จึงถูกปิดกันห่วงห้ามโดยประการต่างๆของอุบายแห่งกิเลสทั้งหลายจะไม่ยอมให้ผ่านไปได้เลยถ้าไม่ฝืนกันจริงๆเมื่อเป็นเช่นนั้น คำว่าการเวลาก็คือกิเลสปักฟันเฉดแดนเอาไว้ถ้าเลยนั้นแล้วก็จะท้อท้ออ่นอนแอเหมือนนั่งภาวนาก็จะนั่งเอาเวลาเสียอืได้เท่านั้นนาทีได้เท่นี้ชัว่วโมงเดินจงกรมก็เดินเอาเวลาเวลาไม่ได้เดินเอาอัดเอาทำอันนั้นเป็นแผนการของกิเลสทั้งหมูดให้พึ่งพากันทราบเอาไว้ <c oughs> มันมาอย่างสลับซับซ้อนมาอย่างแยบแฝง สิ่งที่เป็นค่าสิธิต่อธรรมนั้นมีอยู่กับใจแทรกอยู่กับใจนั่นแหละแทงขึ้นมาที่ไจ่นแหเราจึงประกอบความภักเพียรไม่ค่อยเห็นเหตุถึงผลไม่ได้ต้นไม่ด้ปลายเพราะกิเลสนี้มันปิดมันฝังอยู่ตลอดเวลาผลสุดท้ายก็กิเลนนั่นแหละพาพุ่งออกไปอีกให้ทําลายธรรมื่อนี่เดินจงังกรมมานานสสนนานจานานิตใจไม่เห็นสงบนั่นกรรมที่มานานแสนนานก็ไม่เห็นสงบการปฏิบัติมาก็นานแสนนานหลายปีหลายเดือนไม่เห็นได้ผลอะไรเล ย, เลยนี่ กิเลสมันทับทุ่มให้หนักนั้นเนี่ยมันจะให้ล้มนันนาแล้วนะความภาคเพียรจะล้มนี่เป็นแผนการของกิเลสทั้งนั้นเราทราบหมายว่านี้คือแผนการของกิเลสไม่ใช่แผนการของธรรมถ้าเป็นแผนของธรรมแล้วทำวันนี้ไม่ปรากฏผลเอาเอาให้หนักยิ่งกว่านี้จะเป็นอย่างไรไปสติตั้งได้พระพุทธเจ้าสอนให้ตั้งสติบำรุงสติเป็นสิ่งที่บำรุงได้ เป็นสิ่งที่อบรมได้ปัญญาเป็นสิ่งที่อบรมได้เป็นสิ่งที่ทําให้เกิดให้นีได้ทําไมจะทําให้เกิดไม่ได้ทาให้หนักลงไปหนักลงไปนี่คือแผนของถังเพื่อจะปราบกิเหล็สต้องเดินแผนนี้เราอย่าเครื่องมืออย่าเอากิเลสมานํากิเลสมาเป็นนายเราในขณะที่เดินจมกลมก็ดีนั่งสมาธิก็ดีภาวนาทุกแง่ทุกมุมทุกอียาบทก็ดีว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ ได้เท่นั้นชั่วโมงได้เท่านี้นาทีแล้วจิตเมื่อมองคิดไปไหนพุ่งสั้นลำครหาจิตหมายปลายทางไม่ได้หาทําแน่นนิดหนึนนแงแทรกซึมอยู่ภายในกระแสของจิตในขณะที่ต้องภาวนาไม่มีเลย น, นี่จึงเป็นเรื่องของกิเลสทํางานป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ย น, น, น, นออกหน้าออกใจอยู่ภายในจิตใจแล้วจะเอามรรคผลนิพพานมาจากไหนก็เมื่อเราทํางานกับกิเลสหากเวลาทวงหาห า, า, าผลก็ได้แต่ผลกิเลสแต่เราไม่รู้ว่านั่นคือผลของกิเลสแล้วก็ไปตำหนิทำมาก ผลอย่างทำมมไม่รปรากฏนะแแหลมคมหมายกิเลสดูเอาเม้าปฏิบัติตายถ้าไม่ลงจุดเดียวกันนี่จะลงไหนเพราะความยินเป็นอย่างนี้ขอให้สติปัญญาเหนือกิเลสเถอดเราจะรู้กลุมายาของกิเลสกอกในแง่ใด ม, มุมใดวิธีการใดแทรกแซงตรงไหนบ้างจุดไหนบ้างขณะจิตใดบ้างจะทราบได้ทันทีทันทีเมื่อสติปัญญาเหนือมันเหนือถ้าไม่เหนือจะต้องถูกมันกล่อมตลอด ไม่ว่าจะเดินจงกรมหรืว่าจะนั่งสมาธิอิยาบทใดที่เราเข้าใจว่าประกอบความเพียรอิยาบทนั้นๆแหละเป็นอิยาบทที่กิเลสทํางานไปในตัวของมันอย่างแยบยลเราจึงไม่มีทางทราบได้และไม่ปรากฏไม่ปรากฏผลที่ตนมุ่งหมายตามความเข้าใจของตนว่าทําความเพียรเลยเพราะกิเลสมันแท้สินั่นยึดการเหนือนั้นชุดลากออกจาก แนวทางแห่งธรรมที่จะเป็นไปเพื่อความสงบและในขณะเดียวกันที่จะเป็นไปเพื่อการ ป, ปรารบที่เลยมันจึงไม่ยอมให้ปราบง่ายๆทามีทางที่จะต่อสู้ขัดขวางได้ในแง่ใดแล้วมันจะต้องทําอยู่เสมอกิเลสไม่มีคาว่าเฉียดคลานมีแต่ความขายันมั่นเพียนเป็นอัตนมัติของตนโดยลําดับกันดารตั้งแต่ไหนแต่ไรามาและยังจะเป็นต่อไปอีกหากำหนดในเรื่มเวลาสุดชิ้นเดินมาได้เราอยากเข้าใจว่ากิเลสมีความเฉียดท่านาทอแอบอ่อนไอหรือหลายได้นะ แต่เวลาเราจะประกอบความภาคเพียรนี้มันมีแต่ความตัวแทบไหลเพราะอํากําลังของกิเลสนั่นเองเวลาไหนเวลากิเลสมันหลับนี่งมันพักตัวนิ่งมันไม่ห น, นื่อยมีแต่เวลาทํางานเท่านั้นนอกจากเวลาหลับเท่านี้เท่านั้นมีเท่านั้นเวลาทำงานเท่านี้อยู่เมื่อเป็นฉะนั้นเราจะเห็นกิเลสตัวใดมากที่เกียจขี้คลาน เพราที่จะจับมาตีเอาง่ายๆฆ่าเอาง่ายๆอย่างสบา ย, บา ย, บายเหมือนค่าปูค่ากลาไม่ไม่มีทางถ้าไม่เอากันอย่างเข้มแข็งถ้าสติปัญญาตามหลักธรรมความเพียรตามหลักธรรมเดินจงกรมก็ตามหลักธรรมนั่งสมาธิก็ตามหลักธรรมที่ยาบทต่างๆคําที่ว่าประกอบความเพียรให้ไปไปไ ป, ไ ป, ไปตามหลักธรรมนั่นแหลจะปราบี่เดิสได้นอกนั้นเป็นไปไม่ได้ ออย่านำเมล้ามเวลาความทุกข์ความยากความลำบากเข้ามาเกี่ยวข้องในวงการเปลี่ยนอันเป็นความผิดทั้งเถกและเป็นแผนของกิเลสทั้งหมดให้ทราบไว้เสมอตอนที่กิเลสตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่ตัวเป้งเป้งมันเต็มอยู่หัวใจในสิดการนบกับกิเลสตัวใหญ่ๆหญ่เหมือนกับการลกกับข้าศึกใหญ่ใหญ่กองทับใหญ่ๆนั่นแหละเครื่องมือดีๆนั่นแหละ เราจะทําวิธีไหนเราถึงจะสู้กองทัพใหญ่ๆของกิเลสเครืร่องมือ ด, ดีๆของกิเลสความเฉลียวฉลาดในยุทธวิธีของกิเลสไปได้ถ้าไม่ใช่อุบายวิธีเหนือกิเลสประเภท น, น, นั้นแล้วมันจะไม่ดับมันจะไม่ล้มละลายเราจะไม่ชนะต้องหามาธีใช้อย่างนั้นเสมอผลของมันเราเห็นชัดเจนแล้วมีแต่ความทุกข์ ในาทุกกายทุกใจสำคัญคือความทุกข์ใจเป็นไปโดยลํำดับกำดาเพราะกิเลสมันทำงานได้แต่สมุทัยิดทุกออกมาเรื่อยๆดูเฉยเฉยก็ไม่อ ย, อ ย, อออยู่คิดนั่นตรงนี้เลือกด้วยแ น, น่ตั้งแต่ความตรุงความคิดเพื่อผูกพันหรือทิ่มแทงหัวใจตัวเองนี่แหละที่ภาว น, นามไม่เห็นผลเพราะแผนของกิเลสมันเหนือเราเหนือเราอยู่ตลอดเวลาอันงทั้งกิ บเํเพนภาวนาอยู่นั่นแหละมันยังเหนือเราอยู่จึงต้องในใช้ความปีนี้ปีนนา้นจะพาความเพียรเอาให้หนักแน่นแต่มนักรบเพืจ่จะสู้เหมือนได้จิตนี้มันจะผาาผลขนาดไหนก็เถอะถ้าลงได้ตั้งหน้าตั้งตาสละเป็นตลับตากันลงทางความเพียรเพื่อจะเห็นเป็นสักขีพยานระหว่างความเพร่งสั้นของจิตผาาผลของจิตกับความสงบร่าภาพลงด้วยการติดธรมานของเหล่านี้จะได้เห็นในขณะนั้นเนี่ย นอกเหนือความเพียนนอกเหนือสติปัญญาไปไม่ได้เนี่ยแผนการต่อชู่อพ่เดเยาวความทอถอยอเมรเข้ า, าขมาสู้กับพิเดษ น, นั่นคือบริษัทบริวารของมันนั่นคือแผนของมันเองจะเอาไปสู้กับมันได้ยังไงต้องเป็นสิ่งที่เป็นค่าสุดต่อมันเป็นปฏิปักษ์ต่อมันถึงจะสู้กับมันอันนั้นมันเป็นแผนของมันอยู่แล้วไม่ควรจะนาไปสู้ ท่านู้เลิศเราก็ได้กลาวมาวทุกวันเวล่ะพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เลิศเสมอกันหมดถ้าทำถ้าเป็นจริยาก็คำสอนของพระพุทธเจ้าเลิศเหมือนกันหมดถ้าเป็นสวคคาตัดธรรมด้วยกันคือตรัสไู้ชอบแล้วเหมือนกันปณิยามีกตธรรมที่จะนำจัดให้หลุดพ้นจากกองทุกข์ไปด้เพราะหน้ า, า ท, ทั้งสวดคาสวดคาธรรมที่ตัสได้ชอบแล้วนั้นเหมือนกันหมด นี่เป็นกิริยาเป็นอากามของธรรมธรรมแท้ที่จะสัมผัสสัมพันธ์ภายในจิตใจของผู้ปฏิบัตินั้นคือธรรมแท้ธรรมนั้นแหละที่จ ป, ประเสริฐประเสริฐแท้เป็นแก่นเอาจริงๆก็คือธรรมในหลักธรรมชาติที่เป็นอยู่นั่นแหละมีอยู่ตรนั้นแต่ต้องอาศัยอาการแห่งธรรมนี้เช่นท่านแนะนําต่างสอนทางเหตุทางผลนี่เป็นอาการของธรรม อาศายนี้เป็นร่องรอยอาการเหล่านี้เป็นเหมือนกับร่องรอยของถทำแท้ร่องรอยของธธทุตทัดแท้เช่นเดียวกับเราตามรอยโครเราไปปล่อยไว้ที่ไหนเมื่อไม่แน่ใจแล้วให้ไปดูจุดที่เราปล่อยนั้นตามรอยโคตัวนั้นไปแล้วจะถึงตัวโคเองเมื่อถึงตัวโคแล้วรอยของโคก็หมดปัญหาเพราะ รอยของโคก็ติดอย่กับตัวโคที่เราถึงตัวมันแล้วนี่อุปยาอาการแห่งธรรมที่ท่านแสดงทั้งกายเหตุสายผลเป็นน่องรอยทั้งนั้นเป็นน่องรอยของธรรมแท้ปฏิบัติตามอาการทองท่านแสดงไว้ด้วยสวดคาถาธรรมนี้ชื่อว่าเราเดินตามรอยโคเนี่ยเดินตามน่องลอยแห่งกระแสของธรรมแล้วก็เข้าถึงธรรมเป็นลําดับตํานาตั้งแต่สมาธิธรรม ปัญญาธรรมเหล่านี้จะเป็นอาการการะสับแต่เริ่มเข้าถึงตัวโดนหลัแ บ, บแล้วรนกระทั่งผีมุดบุตรท้นที่ใได้เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งทำล้วนวนซึ่งทำแท้ได้กับทำเป็นอันเดียวกันพูดว่าทำก็ได้พูดว่าใจก็ละเอียดในขณะที่ยังทรงท่าทรงขันทรงขันนั่อยู่แต่เมื่อได้ผ่านอันนี้แล้วคําว่าจิตหมดตัญหาไปหมดเป็นธรรมทั้งดวงไปเลยทำแท้นี้หลับกระเสริษ เรากราบทุกขันกราบทในหลธรรมาชาติอันนี้กราบทุกวันพระสงฆ์สาวกก็เช่นเดียวกันองค์ประเสริฐประเสริฐทั้งนั้นที่ว่าสั้งฆังสนังกระฉามนี้ไม่มีแม้องค์หนึ่งที่ไม่ประเสริฐเรากราบทุกวันท่านประเสริฐเพราะเหตุใดพระพุทธเจ้าประเสริฐเพราะเหตุใดถ้าธรรมปรากฏขึ้นในพระภัยของพระพุทธเจ้าจนถึงกับได้นําอาการเหล่านั้นมาสอนโลกเกิดขึ้นได้ด้วยวิธีใด ทำเหล่านี้เพิ่งมีเฉพาะพระพุทธเจ้าได้แต่จะรู้เท่านั้นเหรอทำอันประเสริฐนี้มีมาดั้งเดิมแต่ไม่มีเวลานั้นไม่สามารถจะรู้จะเห็นได้เพราะคัามความสามารถท่านยังยังไม่มีเมื่อมีก็เปิดเผยขึ้นมาใจเท่านั้นเป็นผู้จะรับถังสัมผัสสัมพนธ์ธรรมขั้นต่างๆจนถึงขั้นสูงสุดลิมุติเต็มที่ของธรรมเต็มอัตราของธรรมที่ว่าประเสริฐแท้มีใจเท่านั้น เป็นผู้จะสัมผัสรับทราบเป็นภาชนะที่เหมาะสมอย่างยิ่งจะ ต, ต่อทำเท้างหร่คือใจดวงเดียวเท่นานั้นนอกนั้นไม่มีน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมดินเป็นดินไฟเป็นไฟสถานที่ต่างๆอากาศต่างๆ เ, เป็นเรื่องนั้นๆไปไม่ใช่ทำไม่ใช่ผู้จะรับสัมผัสรับทรบาบทำไม่ใช่สถานที่ที่จะสถิตอยู่แห่งทำในใจนี้เท่านั้นเป็นที่สถาน เป็นสถานที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการสถิตสองธรมและที่เกิดของธรรมแล้วสถานที่บำรุงธรรมก็บำรุงอยู่ที่นี่รู้กันที่มีเห็นกันที่นี่คำว่าประเสริฐประเสริฐในแจ้าสามดวงนั่นมันไม่ไม่ถึงใจพวกพวกเราบ้างเหรือเป็นยังไงจึงไม่ถึงใจเพราะกิเลสมันจิตการปิดบังไว้ไม่ให้ถึงใจให้ถึงแต่กิเลสเท่านั้นความโลภมันถึงใจทุกวัน เชื่อมันทุกวันความโกรธเป็นทุกวันเอาไปเผาเราทุกวันไม่ยอมเข็ดหลาดความหลงงุ้มงุ้มง้มามไม่มีเหตุมีผลพอกิเลสตัวแหลงผมนั้นครอบไว้ให้ง่ด้วยความฉลาดข้ง้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ิ้้สมันก้้้้้้้้้้้้้้า้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ พระพุทธเจ้าพระเสริจก็สักแต่ความรู้ยับเดียวเท่านั้นไม่ถึงใจถ้าทําว่าประเสดิจก็เพียงยับขณะดเดียวเท่านั้นถ้าสง์ว่าพระเสดิจก็ยับในขณะดเดียวเท่านั้นแต่ไม่ถึงใจการที่จะให้ทําเหล่านี้ถึงใจก็ต้องปฏิบัติให้เห็นจริตทำหลักธรรมที่ทั้นสอนไว้เชื่อท่านตามนั้นปฏิบัติตามนั้นอย่าไปเชื่อกิเลสที่ถ้าเราอยากเห็นธรรมแต่เชื่อกิเลสก็จะเห็นแต่กิเลส เจอแต่กิเลสเจอแต่ผลของกิเลสผิดขึ้นมาบรรลังธรรมี่คืความทุกข์ความทรมารความเดือดร้อนหุนหวายความรักสัมมาสายพุ้งเพ้อเหิมพุ้งสั้นนาคานตลอดเวลานี่เป็นเรื่องของกิเลสทํางานและผลของกิเลสผิดออกมาเป็นความทุกข์ถ้าเชื่อกิเลสก็เห็นแต่สิ่งเหล่านี้ถ้าเชื่อติทำแล้วก็ต่อสู้กับกิเลสทกุก็ยอมรับว่าทุกเป็นก็เป็นตายก็ตายขอให้รู้เห็นตามหลักธรรมของมเจ้าเป็นที่พอใจปฏิบัติตรงตร ง, ตรงนี้ ความประเสริฐนั้นก็จะถึงใจ่จะเริ่มถึงใจไปตั้งแต่ท่านสมาธิคือความสงบเย็นใจเพราะเป็นความสงบเย็ยนผิดกับสิ่งทั้งหลายสงบลมสงบลมไม่พัดไม่ผันเพราว่าสงบแต่หาความสุขให้คนได้ยากไม่เห็นเอาอะไรมาให้ความสุขคนอะไรไรสงบก็ไม่ทําความสุขให้แก่คนใจสงบนี้ทําความสุขให้แก่ตนโดยแท้นี่นี่เรียกว่าเห็นผลจะเริ่มถึงใจไปตั้งแต่ ขั้นของควาสมสงบของจิตเพราะเป็นผลประจักษ์ใจแล้วทำขั้นนี้ได้สัมผัสสัมพันธ์ถึงใจแล้วใจได้เป็นภาชนะของทำคั้นนี้แล้วแต่นั้นก็เป็นขัข้นของปัญญาแต่ตามลํำดับกำเนิดสุดท้ายก็เข้าถึงองค์แห่งพุทธแท้เข้าถึงองค์แห่งธรรมแท้เหมือนกับตามรอยโคไม่ต่อยจนถึงตัวโคมีการปฏิบัติตามหลักแห่งสวดขาถธรรมไม่ยอมลดละตามหลักแห่งสวดคาถาธรรม ท, ที่ทรง ที่แสดงไว้ชอบที่ปราบไม่ชอบแล้วเดินตามนั้นเมื่อเดินตามนั้นแล้วคําานิยายนิกระทำก็ขนทุกข์ทิ้งออกไปทิ้งออกไปเพราะขนสมุทัยทิ้งออกทิ้งออกได้มากน้อยก็เท่ากับขนทุกข์ทิ้งออกมากน้อยเช่นเดียวกันเมื่อขนสมุทัยปราบสมุทัยให้เรียบราบไปหมดภายในจิตใจแล้วทุกจะปรากฏขึ้นที่ใจได้อย่างไรไม่มีทุกข์เกิดขึ้น ใ, ใจก็มีแต่บรมมะสุขเท่านั้นเป็นหัวใจนั่นแหละทำแทรินเป็นหัวใจหายสงสัย พมารุ้เจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระเสดนั้นไม่ได้ถามที่ไหนแล้วเอาใจดวงนี้เป็นสักขีพยานเลยอืใจดวงนี้เป็นฉันใดพระพุทธเจ้าก็ฉันนั้นพระธรรมชันนั้นพระสงฆ์ฉันนั้นพระพุทธเจ้าจะปรีพานนานเท่าไหร่ไม่มีปัญหานั่นเป็นการเป็นสถานที่ไม่ใช่นิพนานไม่ใช่ทำแท้การเป็นทำแท้ใดอย่างไรสถานที่เป็นทำแท้ไดอย่างไง พศออนั้นพศออนี้วันนั้นปีนี้เป็นสถาเ ป, เป็นมรรคผลนิพพานนี้เป็นธรรมชาติของธรรมแท้ได้อย่างไรธรรมแท้ต้องเป็นธรรมไม่ขึ้นอยู่กับการไม่ขึ้นอยู่กับสถานที่เวลาเวลาทั้งนั้นอยู่ที่ใจเมื่อใจเข้าถึงธรรมธรรมกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วหายสงสัยพระพุทธเจ้าในพระพุทธเจ้าทั้งหลายในธรรมทั้งหลายในพระสงฆ์ทั้งหลายรวมอยู่ในใจดวงเดียวนี้เพราะฉะนั้นจึงว่าใจเป็นธรร ม, มชาติที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการรับรองมรรคนิพพาน เป็นภาชนะที่เหมาะสมอย่างยิ่งไม่มีภาชนะใดสิ่งใดจะเสมอเหมือนเกี่ยวกับความเป็นภาชนะแห่งธารมทั้งหลายเวลานี้มันเต็มไปด้วยมูดด้วยคูดในหัวใจเป็นภาชนะของยีเดียตนอกจากเป็นภาชนะมันแล้วจึงถูกมันเหยียบย่ำทำลายแหลกเหลวเลวร้ายไปวันหนึ่งวันหนึ่งนี่แต่สิ่งเหล่านี้ขยี้ขยนันจิตใจเราหะความถูกไมาา่ได้นีแต่ความทุกแล้วจะเห็นมรรคผลนิพพานเป็นอของอันสัจจะได้อย่างไร หาอากจะเห็นมาผลนิพพานเป็นของในก็ย่ำยีตเตระทิเดซึ่งมันอยู่ภายในใจเลงไปเช่นเดียวกับมันย่ํายีเตรกเรามาสิอถอกกลับมั่งด้ยย้อนกลับต่อสู้กันเห็นผลกระจับภายในจิตใจทำเป็นทำสดสดร้อ น, อ น, อนๆแท้ๆทำที่ควรแก่การปราบทิเดชทุกประเภททั้งทำอยู่แทๆ้ๆล้าสมัยไปหนอ ไปอยู่กับการในสมัยใดเมื่อไรไม่อยู่กับการไม่อยู่กับสมัยเช่นเดียวกับพิเลสไม่อยู่กับ ก, บการกับสมัยแต่อยู่ที่หัวใจคนทำ ม, มาเมื่อเราถึกขึ้นมาทลงใจก็อยู่ที่หัวใจเราแล้วปราบพิเรศไปในตัวมันเสร็จขอให้พากันตั้งอกตั้งใจ ป, ปฏิบัติจอมปราบก็คือพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่เชื่อถือได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทเป็นของจริงจนส่วนพระพุทธเจ้าเป็นของจริงจนส่วนประสงค์เป็นของจริงจนส่วนเป็น ธรรมชาติที่พระเศวตเต็มตักเต็มส่วนไม่มีความไมากอวามวับแต่แล้วปฏิบัติใจของเราซึ่งมันเป็นไปด้วยความจำปองเพราะอำนาจแห่งเคลียรตัวจำปองนี้ให้มันขึ้นไปด้วยลาดับลำดั บ, บแล้วจะเห็นความปินขึ้นที่ใจของเราการลื้อพบรู้ชาติรื้อที่นี่การล้างกัดชารล้างที่นี่เพราะตัวนี้เป็นตัวป่าเกิดให้เกิดไม่ใช่ตัวไหน วิลตตัวนี้แหละเมื่อล้างอันนี้ออกหมดจิตใจสะอาดเป็นที่แล้วก็เป็นอำนาจล้างบาดทารได้อย่างสะาดเป็นที่หมดเชื่อไม่ต้องไปหาเกิดอันเป็นการหาความทุกข์ลาบากในขณะเดียวกันอีกต่อไปดีได้หมดถ้าทาเขาเป็นเข็มทิพย์ตังเดิ น, นดีเป็นชื่อว่านายดีมันเต็มในเด่นตังกวเยอะมีแต่เื่อ ดีด้วยความเสียสละนี่ถไม่ดีด้วยคุณภาพมันก็ใช่ไม่ได้แต่ทํานี้ดีด้วยคุณภาพจริงๆทำเท่านั้นที่จะทําคนให้ดีคนที่เกี่ยวข้องกับทำเป็นคนดีได้ด ส, สั่งแท้จริงดีใส่ด้วยความเสียสลบันเดาร์กันนั่นมันดีแบวโลกาที่ว่ามันมันเล่าจะหาความชุ่มเย็นไม่ได้หนระื่ามิดกัน ดีด้วยความเสกสรรต้านย้อนดีด้วยลมป่าให้เฉยๆพูมิด้วยลมเฉยๆไม่ได้พูมด้วยความคุณลักษณะดาวกดขึ้นกับตัวต้องการเป็นคนดีสิ่งที่ควาห้ามต้องหห้ามทันทีห้ามเจ้าของถ้าไม่ห้ามมันก็ไปเสียไปจนได้เน่ยความชอบใจไม่ได้ความชอบใจที่พาให้เป็นคนดีเป็นคนเสียอย่างนี้จะพาให้เสียไปโดยลําดับก็ห้ามมันเสียเนี่ย เมื่อเราห้ามแล้วอะไรก็จะแม่นร้าวเราห้าม เ, ร, เ, มามา เ, เราห้ามเราติดแฝงเราถ้ายังได้ฝึกจนเป็นนิสัยทางภายในใจด้วยทำแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นรับตรนี้เถตุผลมาพร้อมเพราะควรไม่ควรเน่ยความอยากนยายั้นแฝงไม่ได้ถ้าเหตุผลได้แนบกับจิตแล้วนี่แต่เหตุผลควรไม่วนนควรควรทาไม่ควรทําควรไปไม่ควรไป ควรพูดไม่ควรพูดควรกินควรดื่มควรอะไรอะไหรือไม่ควรมันบอกในตัวเสร็จๆเอาเผลนั้นรักษาตัวจะดีถ้าเอาวคำหญ่กรั่วแหลกถ้าเอาคำหยากรับเป็นเจ้าของแล้วมันก็เป็นเปรตไปในตัวของคนนั่นแะเปรตยังไงวะปากเท่าภูเขานิ่งท้องมันเท่าภูเขาคข้าไปตลอดนั้นก็ไม่อิ่ม ืปากเท้ารูเข็มกับท้องเท้าภูเขามันจะผลดบุญจะได้อย่างไทุนท่านั้นมก็ไม่อิ่มนั่นแนละคือความอยากเพ่าะว่ามันท้องมันเท่าภูเขาเทียนเราจะผลิขวายมาให้มันเนี่ยมันเหมือนปากเท้ารูเข็มที่จะให้มันตามความต้องการของมันไม่ทันมันนั่นไม่ยือิ่มให้ตอนนี้มันอยากตอนนั้นให้นี่มันต้องการทานั้นอืเราให้มันมากเท่าไรมันยิ่งต้องการมากที่จะมันจะสงบตัวลงด้วยความต้องการตามที่ที่ให้ทนั้นไม่หนี่ มันจะต้องขยายตัวออกไปเรยท้องมันยิ่งโตขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนเขาเรียกว่าเปรตมนุษย์จะไปโตเนีย่ยปากเขา้าดูเข็มเพราะความโลภมันมากของจแท็กนี้เมื่อความโลภมันมากาความโกรธไม่ได้มีไยใคร ม, มัดขัดแย้งผลประโยชน์ได้เลยความโกรธมันขึ้นทีลืมตัวเอ มันทำมนุษสาเปตโตทำไมาบอกว่ามนุษย์ท่านพระราชท่านบอกว่าพวกเปรตปากท้าดูเข็มมันก็จะมากมันจะเกินไปนั่นเลยว่ามนุษย์สาเปตโตเราให้แต่แปลงแก็แปลแย่ออกไปอย่างว่านี่ใจเป็นเปรตเป็นผีอืหาเจ็บหาเลยงหาแค่นั่นแค่นนี้ไปไม่มีความอิ่มพอแล้วสิดูดูดูอย่างเขามีลูกมีเมียมีผัวแล้วกี่ร้อยกี่คนมันยังไม่เห็นพร ลงพยาลงบ้าที่ไหนไปดูที่เต็มไปหมดนั่นมันพอที่ไหนคนมีลูกมีเมียมีอะไรครอบครัวอทั้งนั้นผู้หญิงทั้งนั้นกันนั่นไม่พอด้วยกันทั้งนั้นถ้ามาถึงทำเข้าไปกดไว้ให้เป็นประมาณพอให้อยู่เย็นเปสุขให้มีขอบเขดคนเราถ้ามีขอบเขตก็หาความสุขได้ถ้าไม่มีขอบเขตหาความสุขไม่เจอจะมีเมียสี่คนก็เถิดมีผัวสี่คนก็เถิดคนนั้นจะเป็นผู้ที่ก่อความทุกข์มากที่สุดภายในตัวเองอย่าเข้าใจว่าคนนั้นจะมีความสุขเพราะมีเมียมาก มีผัวมากอืมท่านคือครูวิชาท่านมีสอนวน่ออาอภิชตามากน้อยนี่ความสุขจะเกิดขึ้นตรงนี้ท่านก็นสอนตามจุดอย่างที่ท่านบอกอภิชตาให้มากน้อยมากน้อยในอะไรให้มากน้อยในาอารมณ์ผัวเดียวเมียเดียวพอแล้วไม่ต้องยุ่งเกี่ยวอะไรนั่นไม่ใช่เรื่องอของหเราเมื่อเมื่อเป็นนั้นจิตมันก็ไม่ปีนลุกกรงออกไปเลยสิอืม ไม่แหวกเงินกันอยู่ในขอบเขตสบายไม่ยุ่งหว่าสามีหรือว่าภรรยาไมนสบายไม่กระสบายไม่ยุ่งเพราะไม่ไม่ใช่เรื่องนถ้าลองให้มันยุ่งมันจะไปใหญ่เลยแล้ก็เหมือนกระไฟได้เชื้อสมบัติปีศตาความน้อยน้อยในอารมณ์ฉันต้องถือคือความดีในสิ่งที่มีอยู่ของตนอย่าไปดุลังที่มีอยู่ของตนเนี่ยมันขัดทำขัดโลกไปที่ไหน โลกจะได้รับความสุขพอนี้ตั้งหากถ้าเลยมีปัญหาความสุขก็ได้แล้วก่อเรื่องก่อเราก่อกรรมก่กเอเวรขึ้นลงขึ้นศาลนั่นฆ่ากาันพินาศพราะเขาไม่ดีในของมีอยู่ข้างต้นท่านเลยขอบเขตก็คือเลยความพอดีต้องก่อทุกข์ให้ทั้งเขาทั้งเราเนี่ยทำอะไรที่ไหนเหมาะที่นั่นมี่ขอบเขตที่นั่นเพราะดีทุกสิ่งทุกอย่าง ถ้าเราทำเข้าไปที่ไหนเข้าไปเกี่ยวข้องที่ไหนความพอดีเกิดขึ้นความสงบสุขเกิดขึ้นถ้ามีทํานะหาความสงบสุขไม่ได้เลยอย่างเขาที่สร้างเป้ระเบิดมีคงมีเคลียร์ยึดยึดจอมตอนี้จะลองดูซิว่าเขาจะมีความสุขหรือนั้นนั่นนะตัวไฟอ่ะแต่มันไม่รู้ยังไงแต่สังหารเขาก็เพราะว่าตัวมีอํานาจมีความเฉลียวฉลาดอมีอิทธิพลเป็นใหญ่เป็นโตครอบโลกความสงสาม ไอ้ความตายมันเท่ากันนี่ยความวุ่นอยู่ภายกนจิตเพราะขอนขวายสิ่งเหล่นี้เพื่อตำราคนอื่นหรือในขณะเดียวกั น, ก, นก็เพื่อความอยู่รอดของตัเองหรือ เ, เพื่ออำนาจศาสนาทรงอำนาจศาสน า, สสน า, สสนาสตัวไว้มันก็เป็นกองทุกคนเดียวกันหมดคนอื่นเขาก็มีหัวใจนี่นว่าไงทำไมที่เราคิดเรายกตัวอย่างนี่มาให้ฟังนะไม่ใช่ทีทานนะสมัยปัจจุบันเนี่ยท่านสิงห์ทอไปเห็นด้วยตาท่านวัดอุดมสงพรนีนะ ท่า น, นไปพักอยู่ที่ไหนแล้วจะมีแมวใหญ่ตัจนึงเลีเ้ยงไว้ในวัดอุดมชมพรนั่นมันก็เป็นนั่งอยู่หน้าศาลานั่งสบายแมวมันจะมีสายเชื่องอันนี้เขาขายน้ำยอมน้ำสีขายอะไรอะไรเ ข, าขมาเอาลิงตัวหนึ่งมานั่งบบนบ่าเขาหนึ่มานะพอมาแล้วก็ปล่อยลิงเขาปล่อยแหละเขาไม่ร่างมันเลยปล่อยลิงของคนปล่อยไม่เห็นมันจะไปเขาจะขอแมววิ่งจานเจ้าของพอปล่อยเขาก็ม อ, กมองเห็น แมวเราที่หินอือมันอยู่ไม่เป็นสุขก็มองเห็นแมว้วก็ไปเล่นกับแมวแมวก็นั่งเฉยรูปนั้นคานี้เขาไปรูปหางมันรูปอะไรมแมวก็เฉยรูปไปรูปมาก็รูปไปทงหน้ามันมันก็แมวเดียวมันก็สิงนี้แล้วก็ใส่จะเปี้ยงเข้ากอหน้านี่ก็ก๊าขึ้นไปแล้วยังกัดกักัๆมันแมวมันตีแล้วมันตบแล้วมันวิ่งขึ้นฉลาเสยอันนั้ น, นก็เสียงกัด ก็ว so ิ day, so oh ่งขึ <cafe noise> ้นว่นลงองั้นมันเจ็บมากมันูกรคาเขาใจไม่แลนะทีนี้มันเจ็บมันขูกระาลก็แบอย่นีตัวนี้ก็ตกก็แล้วก็เยแล้วไปก็ลงไปทนุษีแล้นานๆมันไม่ใช่ันนนก็ลงไปทนุษีไอ้ลิงตัวนี้มันก็เห็นไม่ใช่สเพราว่าเห็นีมันก็ดัไปราคาหลังเลนะนเห็นไหมดัไปก็แอบไปข้างหลังหนึ่งแอบข้างหลังแมวตนถุนน้ำมันหันหน้าตรงโน้นตอนนี้ก็ดั่ไปนำไป กระจับหางกระตุกนี่แมวเนี่ยอันี้กูวิ่งขึ้นต้นไม้ไม่ฟ้องสักฟุตสักแคกเลยนะกูได้ทีแล้วกูวาแกูแก้แค้นมันกูวางัันนะกระตุกหางแมวตอนนี้แมวกแมวเนีย้นีกวิ่งขึ้นลาไอ้นั่นก็โดดขึ้นต้นไม้หนั่งนี่ใช่ไหมมันแก้กัน่งนั้นมันแก้แค้นกันมันนุษย์มันหัวใจมียี่มนุษย์มันฉลาดกว่าสัตว์ก่อกรรมก่อเวรกันอย่างนั้นเนียมันมีหัวใจเหมือนกันถ้าถึงว่า ไ we right, ั่นเวเรณเวลานีิสมันติท้าปุถะจันทรเวรย่อมไม่แล้วนะเรับเพ่อเวรตั้งแต่การไหนไหนมาแต่เวรจะนะั้นเพราะความไม่เวนท่านั้นสถานที่สกปรกโสโครกจะเอาน้ํำไปล้างให้สาดนั้นหาทางเป็นไปไม่ได้การล้างสถานที่สกปรกต้องล้างด้วยน้ําที่สะอาดการชนะจิตใจขงคนต้องชนะด้วยความดีเขาโกรธนาเราโกรธล้าไม่ได้เหมือนกัน้ําที่สกปรกไปเท ลงใ น, นกรถานที่สกปรกหนึ่งมันก็เพิ่มความสกปรกยิ่งขึ้นอืต้องช้านล้างกะถานที่สกปรกด้วยน้ําะอาต้องช้นล้างความม่ดีของเขาด้วยความดีของเราเท่า น, านั้นมีคำพุทธพจน์ด้วยนะพระองค์ตรัสเองนล้วเราหาขั้นที่ไหนได้ โลกก็ห่างเหอนทำกับก่อความเดือดร้อนขึ้นหนูยุ่งไปหมดเรืบ้านใครฉลาดจรินงนั้นก่อดถ้วยกันมันฉลาดเมื่อไหร่มนุษย์ถ้าลงกอดถ้วกันไม่จัดว่าฉลาดมันโง่สมัตมีเจ้าของระพุมใจเจ้าของม่นฉลาดค น, นอื่นเขาแท่งจะตายแล้วทำมาปฏิบัติสำหรับพระเรืงนั้นไม่ย่าดองก็ไม่เสีย ชาวัตเท迦โดนดลวดันก็ไม่นมหนักขนาดบบนั้นก็ไปอีกแบบหนึ่งแล้วนี่มันมีครับกับคนก็มีจุดที่โลกทั้งหลายมาเอามาฟันหอยกระของอยู่นะสึกว่ามีมันกําลังฟันหอยกระของนั้นออกบ้างอเป็นาตายแล้วสูงเป็นต้นแต่โลกสวรรค์มีที่ไม่มีเป็น ต้นเนี่ยสองนัง้ตรงนี้เน้นหนักยังไงอุทันทจะไม่อาถร่างนี้กับจิตไปได้ยังไงสิ่งเหล่านี้ฟันตรงให้มันแหลกอกิเลสมันปิดบังมันแหลกเลยพี่จะไม่ยอมกราบาพระพุทธเจ้าลาบได้ยังไงวะอืสิ่งเหล่านี้มีมาดั้งเดิมตัง้งแต่ไหแต่ไรหนึ่งกิเลสมันปิดตามให้มืดบอดอยู่เถยไม่ให้เห็นดังนั้น เปิดนี้ออกแล้วความจริงมีอยู่มันปิดบังเมื่อไหร่อืเปิดเผยด้วยความมีอยู่ของตนเป็นเทียบว่าตาเรานี่ถูกปิดบังด้วยของมืดเท่านั้นเองมันจะไม่เห็นบาบุญนรกสวรรค์ตายแล้วเปิดตายศูนอะไรมาปิดหนึ่งทําไมจะช่กิเลสตัวเดียวเท่านั้นเปิดนี้ออกมันทําไมทํานจะไม่รู้เรื่องของความจริงของความจริงมีอยู่แล้วเป็นความจําเป็มปิดไว้เท่านั้นเอง เปิด น, นี้วออกแล้วความจริงก็เด่นมีอยู่บ้างนอ้อยเท่าไหร่ก็ประจัจแล้วค้านได้ไงทําไมจะพูดไม่ได้เมื่อได้เห็นได้ตาได้ยินได้หูพูดเป็นภาษาเดียวกันรู้เรื่องแล้วทําไมพูดไม่ได้เพราพูดกันได้ทั้งโลกแม้จะเด็กก็ยังค้านมันไม่ได้ถ้าเราไม่ได้เห็นด้วยตาได้ยินได้หูชัดเจนแล้วเป็นภาษาเดียวกันแล้วเข้าใจกันเรียร้อยแล้วทําไมจะพูดเรื่องนั้นไม่ได้นี่เหมือนกันอื ภาษาธรรมภาษาใจเข้าถึงกันความจริงกับใจเข้าถึงกันทำไมจะพูดไม่ได้ ม, มันจะหวั่นอะไรในสามเดือนโลกธาตานี้เอาอะไรมาหวัน่นกลัวอะไรความจริงแท้ๆยกขึ้นมา้มีอั่งไหน น, นั่งไหนที่ว่าจริงอ า, านไม่ใช่กลกทานกับสิ่งใจผู้ใด เพราะความจริงรู้ได้เหมือนกันเห็นได้เหมือนกันพูดได้เหมือนกันเมื่อถึงการแก่ควรรู้ควเห็นแล้วควรพูดแล้วพูดได้ด้วยกันไม่มีใคตกสถานไปยังที่กระโถน <c oughs> เล้วมาว า, าที่ตาใครมีไม่ใช่คนตาบอดเห็นไหมนี่ประพิสเสกกันได้ไหนว่ากระโถนนี่มีหรือไม่มีนี่เอาชัดๆใครก็พูดได้อย่างอ่านฐานพี่ว่ามี ลบล่างไดงไงเรก็ถโนไม่มีเนี่ยเรายกสมพู่ขึ้นมา น, นอกจากคนตาบอดเท่านั้นมันไม่เห็นนั่นก็คาดขัข้นมีกี่ร้อยกี่พันคนก็ไม่เห็นด้วยกันนั่นแหละประเภทตาบอดที่ไม่เห็นความจริงก็เป็นอย่างนั้นีน่ว่าดขั้นทําบุญเจ้าแล้วคอยตัดคะแนนศาสนาคอยให้คะแนนศาสนาก็คือกิเลสมันแหละนั่นถคอยตัดทำงา น, นคอยให้คะแนนไม่ใช่อะไร ความจริงแล้วไม่ตัดไม่ให้วางไว้ตามเป็นจริงเห็นตามเป็นจริงรู้ตามเป็นจริงนัไม่ยกไม่ยอไม่เหยียบย่ทำทํำลายคิดว่าเสมอภาควางลงตามความจริงคือทันไม่มีอะไรสม่ำเสมอยิ่งกว่าทันนะั่นหรือรุ่งดอนสูงต่ําำน้แต่เรื่องของตัวจอมปอมทั้งนั้นมันร้อยสรนพันขมตามให้ทันถ้าจะติปัญดาไม่ เตียงไกไ่ิงไม่ทันนะจิงเอาให้ฝึกเป็นสิ่งที่ฝึกได้แท้สติปัญญาในปัจจิตปัญญานี่แหละจะเห็นความจริงนี่ว่าญาณังอุตตพานี่นั่นะเอียดเข้าไปันนั่นปัญญาอุตตพานิอาโลโกตุตาพาดิญาอันนั้นละเอียดยิ่งกว่าปาัญญาอีกกล่าววแล้วลใน ธรรมจักกับวัฒนสุตรก่อนแล้วก็ไม่ได้พิจานณนาะแต่ทุกวันมันอดไม่ไดนะ้ืมสวสดธรรมจักรไปกอ้อนที่หยุดซะก่อนกั่กองไอ้อาจารยั่างไอ้อาจารย์ต่างทีเมกิคเว เยนสุท้าสุดาเมสจะคุมกูไปาิเงียังกูไปาิปังวดปาิวิาปาดิอาโลกดปาิตังโคไปดังดกข้างไหนแต่กันเนื้อว่าไปเลยทุกที่ควรกำหนด้อก็ได้กำหนดรู้เลยก็กหนดรู้แล้วหนอนันล่างนี้ยังไม่เคยได้ยินได้เห็นมาแต่ก่อนเลยนะครูเบยรสุท้าจะกูู คือเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นเคยรู้มาแต่ก่อนเลย ม, มาลู่คือมาลูเนี่ยเนี่ยจะกุยานจะกู้มูมดปาดิงานงูดปลาดิปยาวจะต่างกันว่าลำดับลำดาบลาดับดับเป็นอาโลโกโดปลาดิไม่มีปิดบังนี้ลนะับเิดเผยหมดอาโลโกโดปลาดิความระหว่างก็จากแจ้งรวมแล้วด้วยจากสูด้วยยามด้วยปัญญารวมตัวลงแล้วเป็นอาโลกโกดปาดินะึ่ง นี่คะภาพปฏิบัติภาพความจริงเป็นอย่างนั้นรวมตัวกระจ่างไปมมหมดเวลาท่แยกเนียอาการนิดนิดนั่นออกไปเป็นอาการนั้นนั้นเป็นอาการนั้นเพราะอาการรวมเข้ามาสูตรใจที่บริสุทธิ์ดวงเดียวแล้ ว, ลวอาโลโกวดปาดิธรรมนั้นอยู่ที่ไหนกี่ว่าถ้ามาอยู่ใจดวงนี้ดวงที่กําลังถูกปกคุมห้องหอ ย, อยด้วยความเมื่อยไม่ติดตาเนี่ก็อยู่ที่ไหนเปิดออกเค อาฐานที่นักปฏิบัตริรู้แล้ไหมหอาถานได้ไงต้องอาฐานก็นนเห็นไปจากในใจไม่อาถานได้ไเราไม่ได้รูค้คำคำในนักปฏิบัตริรู้เป็นสิ่งเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไหนที่คนจะค้านมันถึงค้านได้สิ่งไหนที่คนรยอมรับยอมรับจับ ก, กันได้อย่งเต็มหัวใจอย่าเคยพูดอยู่แล้ว อธิษฐานยายสุดอำนาจตระสถึผมเป็นงนั้นแหละผ ม, ผมยังไม่คิดนั่นเลยครับแบบอำนาจตระหนัสถึงคิดว่าท่านท่า น, านดลื่อนยมาหนึ่งอันหนึ่งผู้ี่จะผู้ผู้โจทย์จารึกนี่คือใครหนึ่งทำไม่ถึงการอธิษฐานพยสูตรดปัญหาที่ค้างไม่ได้เลยในภาคปฏิบัติแลวยอมรับ ตรงไหนหาที่ทำนะมนาชมิ่ปิติบินติทำเมสุปีติบินตินี่สรุปความแล้วนะตากับลูกมันก็เสียงอะไรเรื่องมันแจ้งละเอยดะเอียดนะจําผัดกันเป็นความรู้ยยกขึ้นมาก็เบื่อหน่ายเป็นสุขแสดงเป็นสุขเป็นทุกข์เคืนมาก็เบื่อหน่าเบื่อหน่าทั้งหมดเลยเมื่อเบื่อหน่าลางเงาคงร่างเงาทุกิเนี่ั่นก็เานั้นก็สิ่งมาเกี่ยวข้งก็ต้องอะไร นี่เป็นดาววิรัติจิตที่นี่ออกอะไรทเวลาดาววิมุจจติมีตันี้มีมุตติญาณห้าสิบวิธรรมลมจะเยียงพระธรรมอย่างนาพระธัรมเ็บตาพระธรรมยาจิตพระธรรนัตนี่ค้านมาในทางปฏิบัติเพราะการปฏิบัติเป็นอย่างนั้นจริงอย่างที่เคยอธิบายให้ฟัง้ะมันนตะล่าเข้าไปตะล่าเข้าไปตะล่ำเข้าไปเพราะจิตมันรู้ชาตเห็นชาตแล้วมันต่อยมันต่อยต่อยเข้าไปล่อยเข้าไปวงจนกระทั่งถึงวงขัน ไม่จะแล้วตรงนั้นมันไม่แล้วมาในวงรูปคือรูปกางของเานี้พอรู้แล้วก็ปล่อยในขณะขณะท่านถามนิยามอันเป็นนามธรรมมันก็รู้แล้วมันกับปล่อยปล่อยแล้วมันยังไม่แล้วนี่นั่นเพราะงั้นในอันสากาสุดที่ท่านพูดว่ารูปปัจนนปีดีบีดีตีเวทนาปีดีบีดีที่ท่านยานยาจะปีดติสดีที่ท่าน่าเรืปีดีบีดีทีวิญญาณนี้ปีดีบิดี นี้บินดังเวลาจะตีเมื่อเบือนหน่านยนะอาการทั้งห้านี้แล้วย่ำคลางหนาทลายเราหลุดพ้นค้างกันวันยังค่ําผมปวดกงหัวใจผมกีนั่นเอาไว้ทําใหม่น่ะนภาปฏิมพเบื่อนหน่าถึงตรงนี้แล้วอะไรที่เป็นต้นต่ออยู่างไนั้น่ะทําไมไม่เบื่อนหน่ายแล้วเมื่อบเบื่อหน่ า, ายเรนนี่เาค้างกำลังไปเลย ม, มันไม่ได้ค้างนี่ก็เป็นแล้วนี่มันไม่ได้พ้นเพียงห้าน อมันยังไปรับกระสวนพ่ออื่นอยู่ในหัวต่อกันนั่นนเห็นเฉพอยตรงนี้น่ะพอต่อไปนั่นแพรกระจายแล้วนั่น่ะตรองปิดอ่ะอาการทั้งห้านี่มันหมดไปแล้วมันพิจนาอะไก็รู้ชัดๆว่ามันรู้เท่าแล้วปล่อยแล้วรู้เฉพาะในหัวจิตในหัวใจนี่แต่มันติดกันนั้นนี่น่ะฮพอปัญญามรู้สึกตัวเมื่อมันทมกันได้พอแล้วหลงไปพอแล้วพูดยังไงหลงอันตัว สำคัญเนี่ยไปพอทุกคนนั้นมันก็กลับมารู้รู้สึกตัวเข้าเจอกเข้าไปตรงนั้นพังไรตัวจิตอะจิ็วิชาเปน็นอันเดียวกันหุ่มห่อมันอย่งสนิทข น, นานนั้นพอนั้นแต์ไปทางตรงนั้นอะไรที่ไม่เลยขันนี่อยู่ตรงนั้นนี่ทำให้คิดถึงผู้เจริญใจเลยเดือำไปนะ ผู้จดจารเลย่ีเป็นคนประเภทใดห้าก็เป็นประเภทพระลหันจดจเรืแล้วทไมพระลหันจะไม่รู้ตรงนี้มีหรือนั่นมันจะว่ามันนั่นเราจะว่าทิศที่ว่าทิทเด็ดมากตรงนี้นะนไม่ยอมไขเปิดจิตี่ยอมแต่ความจริงวความจริงมันเป็นอย่างนั้นนี่นะ่าหวาดไม่้องีดลั้มไม่คา้างยอมรับเ่ยยอาเปย์เอะนี่ละเอียด ถึงเหตุถึงผลถึงพิกถึงชิงถึงต้นถึงตายจริงถึงหลัแก่ละกฝอยอยู่ะเหลือเลยยังไม่นี่นี่แล้วยอมพระเจ้ายอมอย่างนี้แล้ใครเป็นคแดงมาพระเจ้าแสดงมาตรงนี้ที่ยอมยอมนี้นะัแต่ละข้เสียมันเราทคิด่งทานแสเห็นว่า ผู้ตรจจลึกหรือว่าอะไรคําบซ้ากไปมากแล้วเรือตัดออกไปจะมัง่งอะไรทำนอง น, นั้นอนีอ้ผู้ตรวจะลิกจดังไงอะไรงี้ยง่ายกระากเยะว่ะอันนี้ถ้าพูดถึงเป็นเรื่องของตัวนําออกมาสู่นนี้แล้วมันมีทางข้างกันกถ้าเปนโดนเรื่องของตัวโดยเฉพาะแล้วข้างทางในของจริงมีอยู่นี่ใครผูกขาดวะวางนั้นพระพเจ้าไม่ชอบผูกขาดสันติทโกเอฮิสันิโกผ้กกาขาดอยู่ในนี่ท้กอย่างนี้สันติทิททโกมองแค่จริงนี้ ไปยุ่งอะไรกับตำหนัตำนาไม่ใช่หนอนแทะกระดาษนี่วะเนี่ความจริงมีอยู่เอาสิถ้าความจริงมีของตนนะจะไปงอมกระดาษทําไมเนี่ยมันไปนั่งเสือ้าไปเริ่อเจ้าของไม่ค้านอืมไม่ไปค้านให้เสือเลยละความจริงมีนงะนอยู่ตามคําจริงนั้นหลังอย่ น, นี้ก็แยกออกไปสุดสมุดเสือก็พูดได้ยินได้ฟังเสือคนนะครับประโยชน์นี่ก็เสือประโยชน์เขาที่แก่ไปตามเรื่อง น, นั่นนะถึงว่าคําว่าค้านจนตร ง, ตรงนี้พูดตามเรื่องของสมุด ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอูดไม่ใช่จะไปตายใจแค่นั้นการฆเบื่อหน่ายในการฆ่าแล้วๆเท่านั้นมันไม่แล้วว่างแล้วมันก็ไม่แล้วโจมเงียววิชาแล้วไงคนตจมเงียววิชาไปคนแล้วแลยวควาในทางัแต่เขาที่อยากตาแล้วไม่ต้องบอกว่าแล้วก็แล้วถ้าตรงนั่นหมดพิณะไรอีเนี่ยสั่ง วัตถจักมันแตกก่างไปแล้วมันยาวแลกวเป็นเชื้อมันไม่ท่านั้นเหนืออะโลโกุฎปาดิจะว่าีงอืมจะุึ่งได้ปาดิงานอุฎปาดิขึ้นโยนตัวแล้วอะอโลโกุปาดิตรงนี้มีสองสูตรที่สาคัญเท่าที่ดูได้สูตรทั้งหลายนะ นั่นั่นก็พูดถึงสูตรนั้นตรงนี้ไปแต่ท่านธาร ม, มาท่างนัดจัดมันเข้าในประเภทพระสูตรนั่นแหละท่านหล่อนี้ทำเกี่ยวกับเรื่องที่ปรัชนาฝ่ายพนรมัดไปได้แต่ว่ามันก็ห้ามไม่ผิดเรายม่ยากไปคิดแต่เนี่นยนะไม่มีอะไรที่จะขานนันมากนักยิ่งกว่า ยาที่สิดีีที่มีดาวดีดีคนนี้ค้างแต่ที่เป็นปะุทพระี่นาพะปรมณที่เหนือกับความความหมายของความก็บอกไว้แล้วในส่ตรนั้นน้าหนักเปาอะไรก็รู้อยู่แน่ในนั้นแต่ไะสงใส่ในจิตอันนี้เป็นปะศุทธ์ในวันนจะแยกประเภทไปเฉยความจริงมันมีอยู่กับสูตรนั้นแล้วพี่นาพี่ถ้ามีปัญญาวอางถูกหมดไปเลย ธรามจักรกับวายสูตน่กับพูดแตยกแตเสียพูดที่ เ, เอามาปรับภาพเป็นภาพปฏิบัติขอ้อจับได้ ย, ยากลองดูลองดูตาำนัดตามธมจักกับวายสูคือขั้นอายุจจัของท่านอธิบาย้วเลยเดนทุกคนกำหนดรูแล้วก็หนดรูปแล้วสมวนหมดไทยคนน่าเราได้น้านแมากักคจะเรินนที่มากเราได้เยนแลมาเขาประกาศเป็นสักขีพยานนิะให้ เป็นความปีนให้เป็นเจ้าว่าขี่ทั้งหลายลนั้นได้เป็นที่มั่นใจความหมายท่านประกาศท่านมาอธิบายทุกมิติอะไรนะกาพิจารณาเนี่ยพิจารณ า, า, าแต่พวกอณะอาจารย์สูตข้างแจงทั้งปัจจุบันทั้งอดีตทั้งอนาคตเป็นอัญจังเป็นทุกทังนั้นเป็นอาณาตาไล่เบียยพระเป็นเจ้าขี่ทั้งหลา ดูปังนจังวาดจังวนจังวาเพียนิจังพันเตจัมปาจัมดุข้างวาตังดุข้างวาติดุข้างพันเตหมือถสงอันนี้มันไม่เที่ยงแล้วมันเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์ก็เจ้าขาดเจ้าขาดตอบรับกันเดินแบบนั้นในขนังจัมปนาจัมดุข้างวิปุฬนาตมะตังกำลังตังเสมอไปตุงเหยื่อตังมาเอชัวนัมน นัม่มโตนั่นมโตแต่โนนะ้ห้ตั้งปันเตะน่ะเมื่อสิ่งนั้นมันเป็นยุบเรีนามาทำเนี่ยมันมต้อคนรู้ว่าจะถือว่านั่นเป็นเรานั่นเป็นของเรามันต้ควนั่นหรือโน้ห้กลับปันเต๋คือไม่สมควรประคับประคอตอนนี้ไล่กันไปไล่เบี่ยงไปเรื่อยฉะนั้นพระองค์ก็อธิบายอะไรอธิบายคือไม่ไม่ซักไม่ถามล่ะลําดับจากนั้นไปก็ไม่ซักถาม ทรงแสดงตามความจริงให้ฟังเลยอันนี้จังวันนี้จังนั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ของเราไปเลี่ยนอะทีนี้นั่นเป็นทุกข์นั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราคนจะรู้ตามเป็นจริงตามจรแต่ถ้าผู้ตางเนี่ยจะละทับบังคนจะทราบตามเป็นจริงทราบตามเป็นจริงนี่ท่านมาซักอธิบายไปเลย เมื่อเมื่อชาตตอนนี้นั่นเป็นเรานั่น right. เป็นของเราหรือไม่เป okay. hmm. right. ็นสุเมธุกเราเป็นทุกข์วิญาณเมื่อเป็นงั้นแล้วสุงกวนหรืมันจะเป็นเราเปของเราไม่สุงกวนเราแต่นั้นก็อธิบายไปเลยเมตังมละในสุขธรรมะนิดหน้าเมตโซอัตติเดี๋ยวเมตังจะท่าผู้ตังสมะปัญญาจะดับทําบังดับธําบังเรื่อยเมื่ออย่างนั้นมันไม่สุงควนมันเป็นทุกข์เป็นหตาแล้วไม่ทุขกวนเป็นเราไม่เป็นของเราให้ หรือพิจารณาด้วยปัญญาให้ใหรู้แ่้งสิ่งนั้นด้วยปัญญาอันชอบธรรมถ้าม่ปัญญาจะรับธร บ, บัญชีได้เวลายกสูตรมานี่ผมมันเลืมมันไม่เหมือนเราสวสดไปตามมันมันยกมาเนี้ผมไม่ค่อยคล่องแคล่วเชี่ยวชาญในเรื่องสูตรนะทั้งทั้งที่สูดได้เวลาจะยกมาแปล น, นี้มัน มันหยิบตรงนั้นไม่ได้หยิบตรงนั้นตรงนี้ไม่ได้มันไม่รวดเดียวไม่คล่องสิ่งที่มันติดนิสัยเราคือว่าจะขายกภาษาที่มาแล้วแล้วมันแปลเราแปลแล้วมันคล่องแปลตามตามนิสัยป่ามันคล่องนะที่มันเป็นขึ้มาในยิบเลยนี่ไม่ต้องไปคิดเช่นเราหาสูตรนั่งจุดนี้มันไปคิดอาการสูตรนันสูุดนี้จุดนั้นจุดนี้วักนั้นวักนี้มันจะหาตามจุดถ้าได้สูตรนั้งขึ้นมาหรือได้บทนั่งขึ้นมาแล้วอันนี้มันขึ้นเป็นตัวของตัวขึ้นมาเลย คำมหมายมันพู้เป็นมาพร้อมๆหนึ่งอธิบายไปตามคำหมายมันพร้อมถึงรวดเร็วอย่าให้ตรงกับปริยัตทุกอย่างมันก็ไม่ตรงแต่มันไม่ผิดเนี่ยไม่มันไม่ตรงในพยัญชนะแต่มันก็ บ, บนตรงในอัเถือถือเอาเนื้อความถือเอาความเข้าใจอย่างเราสักกะโลกุสังฆติกนี่ราชสักกะละฆ่าบุรุษผู้ ง, งู้งให้ตายทา่านเตะไปมันแล้มันสัคกะโลกุสังฆติก การตายเพราะเหยื่อเหยือห่อลอกเนี่ยแต่มันเยอเห็นไหมทีม่นี่คนโง่ผมจะไม่ตายเพราะเหยื่อลอกไงเนี่ยมันก็เข้ากันได้เนี่ยอัดมความหมายไม่เข้าใจพระโยคุนมาะแปลแบบนั้นแต่ถ้าปฏิบัติจริงไม่ค่อยเหมือนระยานะแต่มันแปลามาจากความถึงใจถึงใจงนี่มันแน่ใจ ปากฏขึ้นมาไะไในจิตนี้มันถึงใจถึงถึงถึ ง, ถงเลยเห็นผมอา่างหูจางแปรโอ้ออไหลไปเลยนีน่ยยิงงได้เขียนว่ามหาป ร, ประโยชนเก้าประโยชนสิบประโยชนี่งู้ไ็ได้มันก่อนนี่ฟังไวยหูเยานี่ยมันแปลกล่องจากทางภาคปฏิบัติของท่านยกขึ้นมาให้แปลถึง แต่จากภาคปฏิบัติแต่จากความจริงที่เกิดขึ้นมาจา ก, กจิตเป็นมาจากจิตแท้ๆไม่ได้ไปรูปไปคำเอามาจากประยัติโยกมาตั้งแต่เป็นบาลีก็ออกจากประยตัตส่วนคาแปลหรือเนื้อความมันแท้จริงก็ขึ้นจา ก, กจิตท่านถึงผมมาไปเที่ยวที่ไหนมาท่านปรากฏจะเพิ่งจะ ม, มาขุนแผนขุนยันมั่นแล้วนิดมั่งจะขึ้นปเป็นบาลีนะท่าน เป็นตามีใสขึ้นในบาลีแล้วความความหมายขึ้นพร้อมกันความเข้าใจความหมายของบาลีนั้นขึ้นพร้อมกันทั้งหมดอืนที่กันว่าวันนี้พาสิขึ้นแล้วแม่แย่ค่ะฟังลอยสมหาม า, มาเปรย์วางกันเดี๋ยวต่อไหว่าเรื่อยๆตอนรับพอเรามาเออใค้เป็นมาหาแย่นนะจยกบาลีนี่เหมืเป็นมาหาหวางยกขึ้นเออแย่นี่ ให้ใจง่ายให้าเป็นหมานี่มันหาวาเลี่ยนหวานสนุกเพลินแต่ก็ถ้าเล่นลกกใยความรักความเมตตานั้นแล้วเราก็รู้เราก็เฉยท่านท่านถามท่ก็ถามไม่เฉยไม่ใช่ว่าท่านจะถามเราจริงให้เราแปลง่ไม่ใช่ที่ใส่ของเราเราก็ไม่สนใจเราก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นทางเดินของท่านท่านจะต้องเดินไปตรงนั้นฮะถ้าเป็นมาหาธรรมได้แล้วเดี๋ยวเราจะใส่ถึงกันเอง ถึงไปแปลงกันเองมาลีถ้าเราไม่เหลี่ น, นมันมันมันเป็นภาษาไทยขึ้นมาเรากระทำของเราเป็นภาษาไทยขึมรู้กันมารู้กันมารู้กันมาอย่างที่ว่ากนนะอย่างจุดพูดเคยพูดผุดว่าดาวทั้งจีจิตมันสว่างแล้วจิตอัศจรมย์ทำไมจิตมันสว่างนั่งหลง ในล่างนี้เหมือนไม่มีร่างนะมันเป็นเงาเงา่านั้นร่างกายของานี่ยคือความสว่างเนี่ยม่ช่างออกไปหมดเลยร่างกายเหมือนเป็นเงาเท่านั้นหน้าของความสว่างมันเด่นคอบไปทหมดร่างกายท้างล่างนี่เป็นเพียงเงาเาเท่านั้นตามความจริงที่มันเป็นอยู่นั้นมันจึงเกิดความมั่งคั่งที่รางเงาเงาขึ้นมาจิที่ถึงจะอัศจรรเท่นั้นระว่างตัวไอ้หนังหนา ความวิสุกหยุดไปคู่เดียวมันขึ้นเงี้ยเหนี่ยมันเป็นนันล ะ, นละไม่ขึ้น ม, มาเนบลีไมขึ้นเปแล้วลีั้ถ้ามีจุดเนี่ยบางทีจุดกระจุกนั้นแหละจุดสว่างนั้นแล้วมันไม่รู้ถ้ามีจุดมีต่ําแห่งโพ ร, รู้อยู่ที่ไหนนั่นแหละคือตัวโมรหแม่บอกถนัดชัดเจนมากเลยแล้วงงเลยเนี่ยมันกลับแทนที่จะพุ่งขึ้มาหาจุดมันไม่พุ่งมันกลับงงเลยจุด ทำ น, นี้จุดต่ำอัไใหนายนยังไงงงเหมือนไก่ตาแตกไปได้เนี่ยเรายกตัวอย่างมาเพียงเอกเทศนะที่มันตากดขึ้นภาษาจีนเราเป็นภาษาไทยอย่างนี้ภาษาเราไม่เลยมันไม่เป็นภาษาบาลีถ้ามีจุดนี้ต่ำหลวงระรูอยู่ที่ไหนนั่นแหละคือตัวพบเนี่ยบอกท่า น, านจุดแต่จุดนั้น จ, จุดสว่างนั้นต่ําก็ต่ําในความสว่างที่กล้าอยูนน่นั้นนอนั่นแหละตัวพบตรงนั้นเองแหละหลวงพุทธนา นั่ <PTSD> นแหะตัววิชาวิชามันรวมตัวหมดแล้วสมุนต์สมุนต์นีมันตายไปหมดทังเหลือแต่กระสับวิชาน well. ั่นเป็นจุดมิตต่อนันนั่นแหละวุดต่อผมงงเป็นก่ตาแตกก็ได้นี่เห็นยังไงถึงจมกระทั่งพิจนามันรู้นี่นามันถึงโอ้กูตาโอ้จุดต่อมอยู่ที่ไหนอันนี้เองนงท่าสมมติว่า พอแม่ผู้วจารณ์อย่างนั้นผมอาจจะทะลุไปตั้งันนั้น่ะแต่ระยะนั้นจะไม่นานพอไปกล่าวเรียนท่านท่านก็จะจี้ตรงตรงนั้นเลยนี่ผมมันกทะูทันทีเลยเพราะมันความอยู่แล้วที่มันจะพังทีเดียงไม่จาะเข้าไปมันก็ไม่พังนังทะลุทนอมมันไว้จะโดยซ้ําต่พอท่านจาะเอาที่นั้น่ะจาตะตำอะไรอย่างไตรงนั้นนี่ฟาลงไปทีเดียวเลยพอแล้วมันสะดุดปึ๊บเลยมันก็ถึงกันเลยนี่น่เรื่อง โทษในความไม่มีกูมีกรรมมันเป็นอย่างนี้เองทําให้ราช้าตั้งแต่เดือนเดือนสามใช่แล้ยเพิ่งสนับนขึ้นอยู่วัดดอยมันก็ไปเกิดตัว น, นี้ขึ้นมาคือจ่ ม, มาที่ั้งเดือนหกดับมันถึงกลับขึ้นมาก็ามาครงนั้นะมาที่จุดที่ต่อมนันวัด <c oughs> มาไเย็นดอยจะเป็นจะดีที่เก่านะแต่ไม่ใช่กุติเก่ากันนั่นเองมาวัด อย่างนี้มันจะหลุดแลวนวมันกระเทือนเอามาหมาหลมก็หลงถนับที่ย่อจดต่มเวลา ม, มาเปิดก็มาเปิดทรงนั้นมันก็มาโอ้โหจุดต่ำเขาบอกแล้วตั้งแต่พรานนั้นเขานั้นเนี่ยมันจะได้ข้าหลังเป็นบ้าไม่หยุดบ้าไม่เท่าแต่ก็ไม่ เราไปร่ากับครูาอาจารย์ที่ท่า น, านดูแล้ว่ทันท่านใส่เปียงเลยทัางนั้นพังเลยมันก็รวดเลยที่ดูเราแบบปัญหามาเราแก้ไม่ได้มันไม่รู้กี่ครัง้งถหงผมก็พ่อแมค่ครูอาจารย์มบางทีมันอยู่ไม่ได้นะไปสามสี่วันเทั้นั้นวิ่งกลับ ม, มาอีกท่านก็ยิ้มฮะมาอะไรอีหล่ะมีอะไรมาฝากกันอว่าเลยเห็น ด, ดูแลก็เรามาก็ไปในค้างสีวัน ไม่ได้คุณอาจจะเอาจริงลาถอยพอจบป้าเพืนฉัก็ใส่เปรี้ยงเลยทะลุเลยเนี่ยอย่งั้นเนี่ยเป็นปัญหาที่เราแบกมาน่ขาดวันไปเลยมันเป็นขั้นเป็นตอนนี้ะนี่พอไปที่นั่นอยู่ที่นั่นพราะจิตมันไม่หยุดเนี่ยมันก็ยังามันก็ได้รงมาขึ้นมาเลยอืมสะดุด ข, ขึ้นมาเลยสะดุขขะดขขนหนึ่งก็คือว่าเป็นสมุทรไทยมันมาขวางจิตแล้วแก้ได้มากคือเพื่อปัญญาของเราไม่พร้อมแก้ไม่ได้ มันต้องงอกบต้องเวียนอย่างนี้ที่เพียงลิ่เพียงแต่ตั้งใส่กันไปใส่กันมาเน่ยอย่างนี้มันผมมีครูบาอาจารย์อย่นี้จะแบบให้มันหนักทําไมให้มันทิ่มแทงหัวใจอะไรนานหนาวบึงมหาท่านท่านก็ใส่เพียงเดียวก็ท่าลุกไรเลยโหยมานี่เบาหงเนงก็จะขอจะดินานักคุ้นข้างทำครูมีอาจารย์เด๋อนี้ นี่ผมถงไม่ลืนที่ ม, ทมาเอานี่ใครควรจะได้ผลประโยชน์มากเพียไรนอนอยู่ทำไมการแก้กิจนมันเป็นของยากมากนะวั น, นนี่เขาจะแก้กันได้ง่ายนะนี่ที่สุเท่ายังไม่ตายอ้าวเป็นอะไรมาจะแก้เอาให้เต็มเนียวหวังนี่ยังไม่นานนะนี่มันตอนท่านคุณมาก่อนลงหน้ามาสามปีนะผมจำได้ ไม่นานนะไม่ได้แปดสิบนะที่ว่าไม่บอกนะท่า น, นพูดอยู่มีแล้วั น, นวนัวอโซนและส่วนมากคราทั้งห้าสิบหกสิบมาลงวัวซนมาจากที่ต่งางๆเนี้ยต้องมีท่านก็นับเข้ามือดูนี่เวลานี้ก็เท่านี้ได้นี่นี่ น, น, น, นี่พอไปถึงแปดสิบนี่เป็นหวนัไม่นานนะั่นไม่ได้แปดสิบนะโอ้โหพูดไปรู้กนะี่ครั้งแล้วเห็นมไหมเป็นทัานความอย่างทราของท่าน ใครจะไปะกล้าท้านท่าได้ล่ะเนี่ยเท่เนี้จะอยู่ขามฟ้าได้ไงมนุษย์เราไทายทุกควจะได้พยายามนี่ไม่ได้ตักตัดจูงได้แต่วอนนี้เอาสิเหมือนไอ้พิสูท่ถ้าตายมันลาบากนาะการแจ้จริงแค่ของเล่นนะหัวผมไม่ดูผู้นำคกลางสงเวลาอุโบสถหลังจากอุโบสถแล้วท่าให้อ้านนั่นแหละอุโบสถเสร็จแ้วท่านให้อว้ว เปียมเปีมเผ็ดร้อนมากเต็มที่จต ถ, ถานถึงถานกล่อมอน้องเขาไม่ใช่ะไรสังเทพตัาา้งแนมั่นมันงซึงเอาอยู่ประมาณนะเพราะจิตมันรับตานนั้นชัวร์พอเริ่มป่วยต้อบอกแล้วนี่ผมเริ่มป่วยนนตั้งกรนะวันซืนนี่นั่นเราก็ไม่ลืมเลยวันซืนคือวันไหนวันขึ้นยี่สี่ข้าเดือนสือ เรามาท่านเป็นวันเดือนค่ำหนึ่งนี่นี่เราป่วยขั้งสุดท้ายหวัง น, นี่เลยเนี่ยตั้งแต่นี้ปัจ น, นุบนนัต่อไปจะไม่หายเนี่ยขั้งสุดท้ายเอาอะไรมาใส่เขาที่ความหมายแล้วเราอยู่อย่ายาจะมายุ่งนะนแต่ไม่ตายง่ายเลยโรคอันนี้โรกทรมานหวางวาโรคคนแก่มัไม่ตายง่ายมันโรคทรมานนับตั้งแต่นั้นมาแปดเดือนจนเดือนพฤศจิกา ก็อเจ็บแปดเดือนทรมามอย่างว่าไม่ตายง่ายนะท่านยันตรงที่ว่าไม่มียาโอสสที่ไหนมารักษาแหละมันกเหมือนกับามาที่ตายยืนต้นใครจะไปรดน้ำพวนดินให้มันออกใบออกดอกออกผลได้ยังไงมันมีแต่ติ่งกันยังจะไม่ล้มท่านนี่กันยังจะล้มหายใจมันอะไรมารักษาให้มันพึนอยู่มามันเป็นไปไม่ได้เดี๋ยวมามายุ่งนะยา ไม่เพอเริ่มป่วยเท่านั้นท่านพูดแล้ววันนี้เป็นขั้งสุดท้ายของเราในการปเป่นยั้งนี่จะาหายถึงตายเลยเอะต่ว่าจไม่ตาง่ายนะโรคนี้มันโรคทรมานโรคคนแก่เป็นภรมโลกไอเป็นปเพราะนันไมเลางรู้แ่แม่คุณจางพูดแหลงเหมือนกระดาษซุมแนบะมันซึมซึมไปเหมันอักเัวเลย ฟันก็ฟังแบบจอดจริงๆ้างแบบเิียกกรหายยิ่งไปเที่ยวมาแล้วก็มาฟังท่านแล้วฟังกลรงลมเนี้ยก็กับออกไปกลับไปอหมมันจอดเหมือนเทมนี้เปิดไม่ปิดเลยเหมันเปิดเทมไว้ตลอดต้องเดเข้าแบบาท่านวนเลยต้องนั่งนัดแจกไปเทปดนตรีนี้ท่าน ฉานามั respe no okay. our our part, ่งคล่องน่าเจ็บโอเ่ายาโยมฟังนี้ทันรู้สึกกับกูขับไง่ใช่ด้วยไงมองมองมันนี่เดี๋ยวไหมไงท่นาเทศสาไม่ชาเส้นทันรู้สึกกูขับกูขับไม่สะดวกถึงฟังฟังไอ้นี่เทารขานี่ไหลไปเลยจ้ะคล่องดิ หมืนเตียวเตียวเียวเสียงทีงง่กังวังกลางวันที่เรื่อยลยอยู่ขทาไ่ประตูว่าโอ้ได้ยินได้ยินคัเป็นเรื่องไม่เราจะจับเนื่อความไม่ได้ทางอยง่างเงี้ยเขาคันเท็หนักเงาเงาเลยทําทมาเท็จถึงกันทํามาละเอียดเท่าไรยิ่งเท็ดยิ่งร่อนเสียงที่กลางวนะัเอย่างนี้ ห้มส네ัยเหมือนกันคเค้ามาเลยเาะเป็นนสัยหนมากา้สาัสารกล่มท้นนี้อย่างนะสาพัันี้ซึมันึงใจทหมกำลมะประกอบเยอะขึงใจขึงขวนตั้งแตพเดินใกระ่งเต่ต่าพิพากหนึ่ง มันไปเดิน mm, ัอย <listen. S 2> ่างแรงถูกกระถนเสี่ยงนี่มันก็กิ่นไปเลยตกมนฮึมอยู่เลยอ่างอกระถนตอกถึงนะแล้วที่เด็กแคตอกว่างไรล่ะเอาน้ามาให้เสียนะตอกก็ก็กระถนก็ปยอะไรไม่ใ่กระถนตองแค่กลาวเพื่ัจะา ของของจอมปัาศมีคณะปฏิบัติเหนเดียวมากเขาเขามีอะไรไปติกดังหัวใจขัางแล้วมีอะไรทำก็มีเงินไม่มีเงียจะไปไปขัดไปแย้งไปปิดไปกั้นไปสร้างทางอือออกได้อย่างเต็มที่เต็มที่เต็มที่คือมันขุดข่านไปไม่ได้ดังนั้นอย่างที่เราท่านท่านั้งหลายพูดอะไรเนี่ยก็มันไม่ได้สิ่งกาปามนั้นมันปิดขั้งทั้งหมด ควจริงมัไม่อมอกมาพูดมันจึงเอาตั้งแต่สัญญาลมจึงเป็นเครื่องมือของตัวเองมาพูดเรียนไปมากนะเป็นอะไรก็ยังไม่ได้ประมาณนะอเอามาจากความจําก็ต้องกุกขับนั่นไม่ใช่เป็นความรู้ของตัวเองเปนความเป็นความจํมาของหมัดของพระพุทธเจ้าความจริงที่ได้รู้ไล้เห็นยังไงออกมาจากพลังตัวเองนั่นแหละจึงเป็นความสมัคมรแท้และเป็นความจริงแท้ อยิ่งติดเปิดออกหมดให้เมื่อไรมาติดมาบังมาจีบมาขวางแล้วมันก็พุ่งพุ่งถึงเวลาที่จะแนบไปเต็มเหนี่ยวเปิดเอาหมดเลยคณะพูดกเราเห็นนอย่างนี้ลูู่่เห็นอย่างนี้พนมไม่เอาที่ไหนมาพูดแต่นั้นอันหนึ่งมันมีติดตามให้รู้เยอเอามาพูดไม่ได้